เราผ่านการปฏิบัติมาแล้วรู้แล้วว่าจิตเป็นยังไงจิตสงบไม่สงบเราก็รู้จิตฟุง้งซ่านเราก็รู้จิต ค, คิดไปทั่วที่ทั่วแดนก็รู้จิต ค, คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็รู้ ว่าเราลู้มาแล้วเราต้องการให้สงบมันก็ไม่สงบเราต้องการให้เป็นหนึ่งมันก็ไม่เป็นหนึ่งอันนี้แสดงว่าจิตของเราไม่กล้าหน้าถ้าจิตของเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่เรื่อยๆทั้งๆที่เราไม่ได้กำหนดก็ตาม มันก็ทำหน้าที่ของมันให้เราเห็นให้เรารู้ว่าลมหายใจออกเข้าตามธรรมชาติของมันเราก็ไปรู้ได้ถ้าเราไม่อยากรู้มันก็ทำหน้าที่ของมันอยู่ตามเดิมบางครั้งบางคราวเราไม่ได้ไปตั้งใจจะกาหนดเข้าออกหรอกเราก็เห็นมันเข้าออกอยู่ จิตของเราก็สบายสงบโรกหลานลืน่นซนหรือว่าวานวี่วุ่นวายจิตใจเราก็ไม่ฟุ้งตามยังสามารถสงบอยู่ได้ยังมีเมตตาอยู่ภายในจิตเรายังมีเมตตาอยู่ยังมีความเหน็นอกเห็นใจคนอื่นอยู่ เราไม่กระสับกระส่ายไม่วุ่นวี่วุ่นวายไปกับเขาเราสามารถกำหนดใจของเราได้ใจใเราสงบเราก็กำหนดได้ใจใเราไม่สงบเราก็กำหนดได้เราสามารถรู้ได้ทั้งสงบและไม่สงบจิตก้าวหน้าขึ้นไปเราก็รู้ว่าจิตก้าวหน้าขึ้นไปจิตสงบ ลึกจนวางรู้หมดทุกอย่างเหลือแต่วางความรู้สึกภายนอกทั้งหมดเหลือแต่ผู้รู้อย่างเดียวภายในเราก็สามารถรู้ได้เห็นได้เราไม่มีตัวมีตนตัวตนหายไปหมดเหลือแต่ใจอันเดียวใจก็ตั้งเที่ยงตั้งมั่นอยู่อันเดียวไม่มีตัวไม่มีตน มีสติรู้อยู่ตลอดอย่างนี้เลยว่าเราก้าวนา ม, มากเราทำภาวนาเป็นเราได้เตรียมที่และเรื่องการทำสมาธิวิปัสสนานี่นั่นแหละเราถึงขั้นไหนก็ตาม ถ้าเราสามารถกาหนดรู้ความรู้สึกของเจ้าของได้ตลอดเวลาของตัวเองได้ตลอดเวลากาหนดรู้ได้ตลอดเวลายืนอยู่เราก็สามารถกาหนดรู้ได้เราไม่ได้ไปแต่งนะไม่ได้ไปแตง่งไม่ได้ไปฝึกหัดแต่ว่ามันรู้ของมันเดินอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามถ้ายังไม่หลับก็ยังสามารถกาหนดรู้ ลมหายใจเข้าออกได้อยู่อันนี้เรี๋ยวเราทาเป็นแล้วก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆรืยเรารู้เราเห็นอยู่ตลอดอย่างนี้เดีวกวเราทาเป็นแล้วคุณธรรมภายในใจก็ต้องมีแล้วอย่างน้อยที่สุดก็ต้องเป็นโสดาบันขึ้นไป โซดาสกิทาคาหรืออนาคาหรือพระอรหันต์ถ้าพระอรหันต์ก็ปล่อยวางหมดทุกอย่างต่างจากโซดาบันโซดาบันนี่ละสกายทิถีได้ถือตัวถือตนนั่นแหละถือว่าตัวมีตนมี ตัวเป็นของเราร่างกายเป็นของเราจิตใจก็เป็นของเราอะไรลายแขนขาตีนมือก็เป็นของเราหมดไม่เห็นตามความเป็นจริงว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปไม่เห็นในข้อนี้ถ้าเราเห็นเราก็เรียกละสะกายาทิฏฐิได้ก็เป็นพระสวดารวัน เห็นว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นของเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปวิกิเกจาิาความรังเลสงสัยในคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยอีกแล้วพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์ปฏิบัติดีจริง ศิลปะตาปลามาดการถือศีลถือพธหรือการปฏิบัติแบบนอกพุทธศาสนาอย่างนี้เราก็ละได้เราไม่ถือเราไม่ถือศีลถือพธแบบนอกพุทธศาสนาที่เขามีกันอยู่ในอินเดียเนี่ยแม้ทุกวันนี้ก็มี อันนี้ไม่ถือไม่รับเอามาปฏิบัติปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาเท่านั้นนี่แหละเนี่ยคุณคธรรมของข้าวสารบาลที่ละได้ละได้สามอย่างนี่ราชกา i, ยทิฏฐิวิคีกิจฉาศิลปะตะพลามาสการพฤติที่แบบว่าไม่จริงจังเพื่อเพื่อลวงโลกเหล่านี้ คือไม่ถูกต้องเราก็ละได้เราไม่มีใจอย่างนั้นเรามีศรัทธาในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์มีศรัทธาในการปฏิ บ, ปฏ บ, บัติดีปฏิบัติชอบตั้งใจปฏิบัติจริงๆไม่ลดไม่ละไม่เลิกไม่ทิ้งการปฏิบัติเห็นว่านี่คือความดีสามารถนําความดีนี้ไป ประกอบกิจของเราให้สูงส่งขึ้นไปให้เจริญยิ่งขึ้นให้สูงขึ้นให้เด่นขึ้นในกิจของเราเนี่ยเนี่ยอันนี้เรียกว่าได้เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันมีศีลสมบูรณ์สิพระโสดาบันเนียมีศีลสมบูรณ์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดมิจฉาจารย์ ไม่หลอกลวงคนอื่นไม่ต้มไม่ตุ๋นและไม่ดื่มสุรามีไรศีลนี่เป็นศีลของพระสวดาบันนางวิสาขามหาอุบาสิกาได้บรรลุเป็นพระสวดาบันตั้งแต่ยังเป็นเด็กอายุเกษษิดขวบศีลก็สมบูรณ์มาตลอด จเจริญมาตลอดทั้งลูกทั้งหลานทั้งเหลนรวมแล้วสี่ร้อยคนนั่นเป็นพระสวดารบานก็อยู่ในครอบครัวได้อยู่ในโลกได้สร้างความเจริญได้ทำความดีได้ปฏิบัติธรรมได้ทำอะไรอะไรที่เป็นเรื่องของหน้าที่การงานก็ทำได้โดยตลอด แต่ใจนั้นละวางความยึดถือยึดความยึดมั่นถือมั่นได้หมดนี่แหละเรียกว่าเป็นภารียบุคคลในพุทธศาสนาขั้นต้นคือเป็นพระโสดาบันขั้นที่สองคือสกิทาคามีราคะโทสะโมหะเบาบางสกิทาคามีคือไม่ได้ละเด็ดขาดคือว่ายังเบาบาง คือไม่รุนแรงเบาบางไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะอาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้แต่มันมีอยู่ยังมีราคาอยู่ยังมีโทสะอยู่ยังมีโมหะอยู่อารมณ์อันนี้เหล่านี้ยังเราเละไละไม่ได้เาให ไายไปจากกิจจากใจเรายังไม่ได้มันยังมีอยู่ถ้าเราปฏิบัติทำความภาคความเพียรปฏิบัติไปเรื่อยๆพารนากายพินาสติสมาธิปัญญาหมุนเวียนกันไปมาอย่างนี้สติมีสติมีสมาธิมีปัญญา สติคือความรืรู้และวลึกได้ก็มีความเลืกได้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่ายังไม่เด่นเท่าเป็นภาอรหรันแต่ก็เลืกได้สติก็ยังดีอยู่สมาธิก็มีศีลมีสมาธิมีสติมี ปัญญามีจะว่าดีขึ้นต่อไปอีกขั้นที่สามคืออนาคามีกามราคะปฏิฆะกามราคะก็ดีคือความพอใจลกไขในกามก็หมดไป ไม่เกิดขึ้นแต่ว่ายังไม่หมดนะอย่าว่าหมดเกี้ยงทีเดียวไม่ใช่นะยังติดหมอ้อติดถ้วยอยู่นะ ต, ติดจานอยู่ติดกระมังขาวอยู่ยังติดอยู่ไม่ได้หมดทีเดียวกับมาลาคาก็าดีปฏิฆะก็ดีลึกๆ มันก็จะมีขึ้นมาพอดีพอร้ายไม่รู้สึกเลยแหละปฏิฆานี่แหละข้อสอบราฆากัอข้อสอบสอบกิจที่จะขึ้นไปสู่ภูมิทำขั้นที่สามคืออนาคามีให้สังเกตดูกิจใจของเรา มันไม่กังวลมันไม่อยากยุ่งเกี่ยวในเรื่องกามในเรื่องขัดเค wing, เอืองกระทบอารมณม์น้อยใหญ่พอดีพอร้ายนี่ไม่ไม่ออกมาหรอกเหลือเหลืออดเหลือทนจริงๆถึงออกมาออกมาก็มีสติทันระงับดับลงได้ นะครับปฏิฆะความขาดเครื่องได้ระงับการกรรมราคะได้ไม่ทำสิ่งที่เป็นโทษแต่สิ่งที่เป็นโทษก็ทำได้นั่นอันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะสังเกตตัวเราว่าเรามาถึงขั้นไหน เาละสังโยชน์คือกิเลสที่คล้องใจสัตว์ไว้ในโลกนี้ให้ติดอยู่กับวัฏฏะสงสารให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารไม่รู้จักจบจากสิน้นติดแน่นอย่างนั้นแหละเที่ยวเกิดแก่เก็บตายอยู่ในโลกนี้นับกลับนับกันไม่ท้วน เกิดมาก็ได้รับทุกทุกชาติทุกภพเป็นมนุษย์ก็มีทุกอย่างมนุษย์เป็นสัตว์ดิลสานก็มีทุกอย่างสัตว์ดิลสารเป็นเปรตก็ทุกอย่างเปรตเป็นอสุรกายก็ทุกอย่างผีเป็นสันวโรกก็ทุกอย่างสัตวิโรก คนเรียนเกิดตายอย่างนี้แหละในวตานี่ชาตินี้เป็นมนุษย์ทำบาปไปมากหาสัตว์รักษรัประพฤติผิดมิเชอสาจา์ไม่มีศีลไม่มีธรรมในตัวตายแล้วก็ไปสูน่นรกไม่อยู่ในนรกกว่าจะพ้นบาปพ้นกรรมที่ทำไว้ก็นานแสนนานไม่รู้ว่าเมื่ อ, อไหร่ถึงจะพ้นได้ นับเป็นปีเป็นเดือนไม่ได้หรอกมันมากต้องนับเป็นกัดเป็นกันนานแสนนานไม่มีร้อยปีพันปีไม่มีหมือนปีก็ไม่มีมิเตนานแสนนานเพ็นกับกลับกันกันเลยนั่นแหละถ้าเรายังมีกิเลสอยู่ เราก็ต้องเวียนทุกอยู่ในวตาอันนี้เป็นมนุษย์เป็นเทพเ ท, พเทพวดาเป็นพรหมหมดบุญจากเทพเ ท, พเทพวดาพรหมก็ลงมาเกิดในภูมิมนุษย์จากภูมิมนุษย์ก็ไปสู่ภูมินรกบางทีก็ไปสวรรค์ไปอะไรได้สลับแบเปลี่ยนกันไป ทำบาปไว้ก็ไปตามบาปทำบุญไว้ก็ไปตามบุญทำดีไว้ก็ไปตามดีทำชั่วไว้ก็ไปตามชั่วนี่แหละทีนี้เราเกิดมานี่เราพบแล้วเราพบอะไรเราพบสัจธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้า องสอนให้พ้นทุกข์ให้หนีทุกข์ให้ได้เป็นพระสุตตานบาลก็หนีทุกข์ได้25เปอร์ซ็นเป็นพระสรกิทาคามีก็หนีทุกข์ได้50เปอร์เซนต์ว่าไม่มีทุกข์นะ่มีอยู่เป็นพระนาคามี ที่ต้องไปเกิดในภูมิสุทาวาสภพมรโลกห้าชั้นชั้นอวิหารชั้นอตตปาชั้นสุทัศสาชั้นถุทัศสีชั้ น, นอากนิธาอันนี้ไม่ต้องลงมาเกิดในมนุษย์ปฏิบัติอยู่ในภพ ม, มโลกนั้นท่านก็ได้สำเร็จ เ, เป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอรหันตสิ้นอายุภพแล้วก็เข้าพระนิพพาน หมดทุกข์ในวัฏฏะสงสาร น, นี้ไม่ได้มายุ่งมาวุ่นวายในโลกในวัตฏะนี้การปฏิบัตินี้เป็นการเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อกินเราเข้าถึงธรรมเราจะเห็นความสุขที่เกิดขึ้นในใจของเราจงขนาดไหนก็ตาม เราก็จะเห็นความเมตตาที่มีในจิตเราต้องมีเมตตาจิตตลอดท่านบแผ่เมตตาแผ่เมตต า, ตาก็คือทำจิตให้มีความเอ็นดูกรุณาต่อสัตว์โลกต่อทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะทำดีก็ตามทำชั่วก็ตามทำผิดก็ตามทำถูกก็ตามมีความเมตตากรุณาตลอดเวลา โหนเห็นใจคนอื่นสัตว์อื่นนี่เราเรียกว่าเรามีธรรมะอยู่ในใจเรามีคุณศีลคุณธรรมอยู่ในใจแล้วเราไม่ถอยหลังมีแต่ก้าวหน้าไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยวันหนึ่งนั่งสมาธิได้ชั่วโมงหนึ่งก็เอาในสองชั่วโมงก็เอาหรือไม่ได้พา น, นั้นได้สามสิบนาทีแต่และวันก็เอา นี่เรานั่งตามรูปแบบคือนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ า, ายมือขวาหายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักหลับตากำหนดลมหายใจเข้าออกนี่อันนี้คือทาตามแบบออกคอห้ดูลมหายใจเข้าออกไม่สนใจเรื่องอื่นสนใจแต่ลมหายใจเข้าออกนี่เรว่าเราตั้งใจปฏิบัติ เฉพาะเวลาปฏิบัติเราก็ไม่ยุ่งกับคนอื่นไม่ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี่ตำหน้คนนั้นคนนี้เราก็ไม่มีให้ออกจากใจเราใจเราไม่คิดไปในสิ่งที่ไม่ดีมีเมตตากรุณาต่อเวลาอันนี้เรียกว่าคุณธรรมเกิดขึ้นในใจของเราแล้ว ถ้าเราเป็นอนณาคามีตั้งแต่เป็นมนุษย์อยู่นี่เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในมนุษย์อีกตายแล้วเราก็ไปพมทธมโรคเราไม่ตกทุกข์ได้ยากอีกแล้วแต่ถ้าเราไม่บรรลุโซดาก็ไม่ได้สกิทาก็ไม่ได้อนาคาก็ไม่ได้อนาคานี่ ละทุกได้แล้วเจ็ดสบ้าปซส่วนอาราหาันเนี่ละทุกได้ร้อยเปอร์ซนทุกกายก็มีอยู่ทุกใจไม่มีใจพระอรหันไม่มีทุกกระทบอารมณ์น้อยใหญ่ก็ตามไม่ทุกวางเฉยได้หรือว่าเป็นผู้เฉยอยู่ได้ คือไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรนะไม่ใช่ไม่แก้ไขนะแก้ไขอยู่มีอะไรก็แก้ไขอยู่สู่ความสามารถแล้วก็หยุดรู้จักว่าอะไรควรไม่ควรทุกอย่างอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรมันรู้ขึ้นมาหมดอันนี้บาปอันนี้บุญอันนี้คุณอันนี้โทษมันรู้หมด จะทาปั๊บเนี่ยเราจะทำปั๊บเนี่ยมันจะเกิดสติขึ้นมาทันทีเลยบอกว่าอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้สติของเราจะเตือนเราทันทีเลยก็สบายจิตใจเบาเย็นมีความสุขเพราะอะไรเพราะกิเลสมันออกไปจากใจเราแล้ว ถึงความเป็นพระอรหันต์พระอหันต์นี่เห็นทุกอย่างไม่เที่ยงคือไม่เที่ยงเห็นทุกอย่างเป็นทุกเห็นทุกอย่างเป็นอนัตตาตัวเราก็ดีตัวเขาก็ดีต้นไม้ภูเขาก็ดีบ้านเรือนตัวทุกสิ่งทุกอย่างในโลกธกาตุอันนี้ ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิน่นลิ้นเลืดกายถูกต้องสัมผัสเห็นแล้วก็รู้ในใจขึ้นมาว่านี่ปิดของไม่เที่ยงอันนี้เป็นโทษอันนี้เป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนคำว่าไม่มีตัวตนคือเข้าพยดถือเอาเป็นตัวเป็นตนไม่ได้เหมือนกับเรา เห็นพยับแดดเน่นะพยับแดดเน่ยเรามองไปเหมือนมีตัวมีตนที่ยิบยิ บ, ย บ, ย บ, ยบพอเราเข้าไปใกล้ใกลก็หายไปไม่มีนั่นแหะถนนลาดยางเน่ะเรามองไปไกลๆเนี่ยเหมือนน้าท่วมถนนพอเราเข้าไปใกล้ใ ก, ลก็ไม่มี น, นั่นแหละ มองเห็นหมดรู้ว่าเป็นหน้าตาจิตเต็มไปด้วยคุณธรรมคือมรรคทั้งแปดสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ในใจสัมมาทิฐิความเห็นชอบก็เกิดขึ้นในใจของเราสัมมาสังกปะความดำดีชอบ ก็เกิดขึ้นในใจของเราสัมาวาจาจิระชาชอบก็เกิดขึ้นในใจของเราสัมากรรมตะการงานชอบก็เกิดขึ้นในใจของเราสัมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบก็เกิดขึ้นในใจของเราสมมาสติตั้งสติชอบ สัมมาวายามะเพียนพยายามชอบความเพียนพยายามชอบก็เกิดขึ้นในใจของเราสัมมาสติตั้งสติชอบสติอ น, นั้นก็มีอยู่ในใจของเราสัมมาสมาธิตั้งสมาธิมั่นชอบมีสมาธิอยู่ในตัวตลอดเวลานี่แหละคุณธรรมเหล่านี้มีอยู่ในใจของเรา เราอยู่ในโลกนี้อย่างผู้ที่เรียกว่าดิ้นงูอยู่ในปากงูแต่ไม่ถูกเขียวงูเราอยู่ในโลกเนี่ยจะมีนินทาสันเสิร์นก็ตามมีนินทาก็ตามมีสันเสิร์นก็ตามโลกกท็ทำแปดนะได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศนินทาสละเสริญสุขทุก มีอยู่ในโลกนี่มันก็ไม่กระทบใจเราใจเราก็ไม่เป็นทุกข์คนด่าคนว่าเราน่าจะทุกข์เรากับไม่ทุกข์เรากับสบายวางเฉยได้ฟังได้ใจไม่เป็นทุกข์เลย อันนี้เราถึงที่สุดของการปฏิบัติเหมือนลิ้นงูในปากงูอยู่ในโลกโลกกระทาทั้งแปดใครไม่ถูกไม่มีสักคนหรอกถูกงดมากหรือน้อยทันเองทนได้ก็มีทนไม่ได้ก็มีทนไม่ได้ก็ไปด่าไปว่าเขาคืน หรือไปฆ่าไปยิงเขาตายอะไรเงี้ยมันทนไม่ได้ไปทําบาปซ้ําเข้าไปนี่แหละมักทั้งแปดนี้มีอยู่ในใจของเราผู้ปฏิบัตินะ่ะมักแปดนี่จะอยู่ในใจตลอดเวลาอริยาาสัจสี่ก็อยู่ในใจตลอดเวลาเห็นทุกเห็นเหตุเกิดทุกเห็นความดับทุก เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเห็นทุกทุกคืออะไรคือความเกิดความแก่ความเก็บความตายความโศกเศร้าเสียใจพี่ไายลำพันนี่แหละปรารถนาสิ่งหนึ่งมันได้สิ่งหนึ่งไม่สมกวามุ่ง ม, มัดปรารถนานี่มันเป็นทุกทุกก็เข้าไปกาหนดรู้ไปกาหนดรู้ว่าโอ้นี่ทุก เกิดขึ้นแล้วเนอแก่เราวางไม่ยึดเลยทุกความเกิดก็เป็นทุกความแก่ก็เป็นทุกความเกี่ยวก็เป็นทุกความตายก็เป็นทุกความโศกเศร้าเสียใจพี่หลายลำพันธ์ก็เป็นทุกข์ก็วางได้ วางใจเป็นกลางได้ปล่อยวางได้ทำเฉยได้ทำใจสบายได้นี่เรียกว่าถึงพระอรหันต์สมุทัยเหตุได้เกิดทุกข์ตัณหาสามกรรมตัณหาภวะตัณหาพิภาวะตัณหากรรมตัณหาคืออยากในกรรม กามไม่ใช่ผัวเมียอย่างเดียวหมายถึงสภาวัตถุต่างๆ ท, งทั้งทุกอย่างเนยเรียวกว่าวัตถุก ร, รมส่วนกิเลสราคะโทสะโมหะ ก, ก็เรียกว่ากิเลสกรรมวัตถุก ร, รมก็คือข้าวของเงินทองไรนาสาโท บ้านเดือนโรงแรมโรงพยาบาลอะไรต่างๆเหล่านี้เราอยากในสิ่งเหล่านี้เราต้องการในสิ่งเหล่านี้เราปรารถนานในสิ่งเหล่านี้มีที่ก็อยากขายที่ต้นทาบุญข้ออธิษฐานว่าให้ได้ขายที่เอะไม่ได้คิดว่าทำบุญนี้เพื่อหวังบุญจะหวังอยากให้ได้มากๆขึ้นไปอีก อันนี้มรนหัวใจของผู้นั้นยังไม่ถึงความปล่อยวางก็ยังมีความอยากอยู่ควาอยากในกมาม ก, กิเลสกามก็คือกิเลสราคาโทสะโมหะอยู่ในใจของเราราคาความกุณาจินดีโทสะความคิดปทุตลาย โมหะความหลงคําว่าหลงในที่นี้คือไม่เข้าใจในอริยสัจธรรมทั้งสี่นั่นแหละมันหลงเพราะฉะนั้นต้องแก้ไขตรงนี้ทุกเกิดขึ้นไม่ต้องหนีไม่รู้จะไปแก้ยังไงทุกตัวนั้นทุกเปนก็ทุกของมันอยู่แล้ว เราไปแก้ตรงที่เหตุเกิดทุกข์ดิดับเหตุได้ทุกข์มันก็ผลมันก็ไม่มีทันเองเมื่อดับทุกข์ได้ดับอะไระดับตัณหาได้การมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความอยากในกรรมอยากในภพอยากในวิภพความอยากเราแก้ไขได้ เขาก็ดับทุกได้ทันดีจะให้รับทุกได้ก็ต้องมุ่งเข้าไปสู่อริยามรรคีโยโภตเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอริยสติก็ดีพระพระพุทธเจ้าก็เลยสอนแล้วตั้งแต่วันแรกของการแสดงธรรมที่ว่าทำมาจากกระเพะนสูตรและแสดงเรื่องอริยามรรคีโยโภตด้วย แสดงวันหลังมากับอนัตตะขณะสูตรแสดงเรื่องรูปเวทนาสัญญาสร้างขานวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัา ต, ตาเมื่อเราเห็นเป็นอนัา ต, ตาหมดแล้วเราก็วางได้หมดเราไม่ยึดไม่ถือไม่สำคัญมั่นหมายมีเต่จะก้าวไปสู่ความพ้น จากกองทุกทั้งหมดเลยแหละในแล้วไม่ใช่ว่ามันแล้วไปสบายไปนะถ้าเราคิดอย่างนั้นผิดหมดเลยในแล้วมันแล้วไปนอนอยู่เฉยเราข้านี่เราพ้นทุกข์แล้วเราเป็นพระอรหันแล้วเราจะนอนละข้านี่นอนสบายสบายไม่ต้องมีอะไรแล้วเดี๋ยวนั้นเขาอาหารมาให้กินแล้วก็กินแล้วก็นอนก็ อยู่สบายๆโอ้ไม่ใช่งานมันเข้าใจผิดแล้วนั่นยิ่งละเอียดเท่าไหร่ก็ยิ่งมีข้อสอบที่ละเอียดเข้าไปกว่านั้นอีกยิ่งละเอียดยิ่งละเอียดลงไปตามละเอียดจนไม่มีอะไรที่จะละเอียดได้ ละได้แล้วยังละอีกละได้แล้วยังละอีกละเอียดแล้วก็ละเอียดอีกละเอียดแล้วก็ละเอียดอีกจนไม่มีอะไรจนถึงวันตายนั่นแหละไม่มีอะไรจะมาสอบได้แบบนี้ถึงสุกอันแท้จริงนี่แหละอย่าไปอยู่เฉย ขั้นสูงขึ้นไปก็ยิ่งมีข้อสอบสูงขึ้นไปด้วยละเอียดขึ้นไปด้วยทุกอย่างแหละที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกรวมกลิ่นรีดเลี่ยมรสกายถูกต้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเราละได้ไหมเราละความอยากได้ไหมมันอยากมันเป็นอย่างนี้เราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้อยากให้มันเป็นอย่างนี้ นั่นเราคิดผิดหรือคิดถูกไปเราก็ขัดแย้งกับธรรมะของพุทธเจา้จาพุทธเจ้าอะไรเกิดขึ้นทั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเกิดขึ้นได้มันก็ดับได้ไม่ให้เรามีทุกข์ในสิ่งเหล่านี้วางได้ทำใจได้มีเมตตาได้กระทบอารมณ์นี่กระท บ, นะทบแน่นอน ไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละบางทีมันรู้วนหลานน่ยดื้อซนแล้วเกิดเรื่องเลยนี้เสียงด่าเป็นไฟอะไรแบบนี้อันนั้นมันคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้นแต่คนปฏิบัติธรรมมีธรรมะในใจแล้วไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้แต่เมตตามีแต่ความมีน็นอกเห็นใจ นี่ทุกเนาะทุกเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องมีสติปั๊บทันทีเลยถ้าเราสลอาดเป็นเราก็วิ่งเข้าหาลมครับดูลมหายใจทันทีเลยพอดูลมหายใจแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยก็วางวับนั่นเดี๋ยวก็เราภาวนาเป็นแล้ว มันวางวับทันทีเลยอันนี้เกิดขึ้นกระทบใจปับ๊บสติปั๊บทันทีเลยวางวับเลยเราว่ามันเร็วก็โอ้ยมันไม่มันกระทบแล้วมันละได้วางได้เร็วยิ่งกว่าอะไรอีกป่านนั้นก็ยังไม่พอยังต้องกระทบอีกเผลอๆเราก็ เล่นงานเราอีกเราก็ล่าอีกทั้งแรกเราอมทุกข์อยู่เอาทุกข์มาไว้ใส่ใจอยู่คิดขึ้นได้นึกขึ้นได้เอาดูลมปับดับปั๊บลงไปเลยเย็นสบายจิตใจก็ลุ่งเรื่องพ่องใสเบิกบานแจ่มแจ้งชัดเจนในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทุกประการเดี๋ยวก็พูด เกิดชาตินี้เป็นชาติตุดท้ายให้กลับมาเกิดอีกในพบไหนๆถึงสุขอันแท้จริงนิพพานังประบะมงสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่แหละแสดงให้ฟังเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้